บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมะมัสการประภูมิประพาค นราหัตตสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธทรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำงรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมได้แสดง สติปฐานทั้งสี่เริ่มต้นแต่ประสวดเบื้องต้นมาแล้วจักได้แสดงต่อไปในสติปฐานทั้งสี่นั้นเราทั้งหลายก็คงจะระลึกกันได้ว่าได้แก่ ตั้งสติพิจารณา er, ตามดูตามรู้ตามเห็นกายตั้งสติพิจารณาตามนูตาม ร, ามรู้ตามเห็นเวทนาตั้งสติพิจารณาตามนูตามรู้ตามเห็นจิตตั้งสติพิจารณา ตามรู้ตามเห็นธรรมะรวมเป็นสีข้อในการปฏิบัติตติปฐานทั้งสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีอาตาปีความเพียรสัมป ญ, ญาโนความรู้ตัวความรู้พร้อม หรือสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยโลเกออภิชาโดมณัสังกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเสียซึ่งท่านอธิบายว่าคือกำจัดความยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรรม นั่นเองอันคํำมาอาตาปีข้อแรกนั้นแปลว่ามีความเพียรตามความมุ่งหมายแต่ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่ามีเครื่องเผากิเลส ก, ก็คือมีความเพียรเป็นเครื่องเผาิเปลืกนั่นเองเพราะการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อนั้น ต้องการเผากิเลสทั้งนั้นอันกิเลสนั้นจะเป็นกองโลภก็าตามกองโกรธก็าตามกองหลงก็าตามหรือเกลียดชื่ออย่างอื่นพัวตันหาความดิน่นรนความดิ้นรนยันอยากเป็นต้น ล้วนเป็นเครื่องเผาจิตใจทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียนเผากิเลสเสียกิเลส ก, ก็ย่อมมันเกิดขึ้นเผาจิตใจของบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนายังสอนให้มีอาตาปัตคือความเพียนเผากิเลสเพราะว่า อิเลสนี้เผาได้คือทำลายได้ละได้โดยธรรมปฏิบัติมีการปฏิบัติในสติปัฏฐานเป็นต้นพระพุทธเจ้ายังได้ประทานธรรมะสำหรับเป็นอุปการะในการปฏิบัติสติปฏัฏฐานไว้ ด้วยเป็นสี่ข้อดังกล่าวคือมีความเพียรเผาพิเลกมีสัมบั ญ, ญาณาความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกคือในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้เสียดังนี้ต่อจากนั้นพนระพุทธเจ้า ก็จะตัดจำแนกแจกแจงจติปฐานทั้งสี่ข้อนี้ไปทีละข้อตั้งตนแต่ข้อกายตรัดเริ่มข้อกายด้วยอานาปานสติภาวนาคือการปฏิบัติอบรมสติที่เป็นไป ในลมไม่ใจเข้าและออกอันนับว่าเป็นข้อเริ่มตน้นโดยได้ตรัสว่าภิกษุเข้าไปสู่ปา่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งขัดบันลังคือขัดสมาธ ตั้งสติมีหน้าโดยรอบหรือตั้งสติรอบหน้าหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้และต่อจากนั้นกดรัดวิธีปฏิบัติ ในอนาปานสตินี้เป็นสี่ชั้นหรือว่าสี่ข้อชั้นที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งตรัสสอนว่าภิกษุหรือภูปฏิบัติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว ชั้นที่สองหรือข้อที่สองเขาหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นชั้นที่สามหรือข้อที่สามศึกษาคือสําเร็จกําหนดว่าเราจัด รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าศึกษาคือสมเร็จกาหนดว่าเราจะรู้จักกายทั้งหมดให้ใจออกชั้นที่สี่หรือข้อที่สี่ศึกษาคือสมเร็จกำหนดว่าเราจะระ ง, งับกายอยสังขาร เ, เ, ค เ, าาเครื่องปรุงกายหายใจเข้าศึกษาคือสมเน็จกำหนดดูเราจักระงับกายจะสังขารเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้วิธีปฏิบัติในอาณาปานสติทั้งสี่ั้นนี้พระองค์เจ้า ได้ตรัสสอนไว้เองพระองค์จึงทรงเป็นพระปัธรมอาจารย์พระอาจารย์องค์แรกที่ตรัสสอนวิธีปฏิบัติในอาณาปานุสติไว้ซึ่งเราทั้งหลายควรจะกำหนดจดจำและพิจารณา ให้มีความเข้าใจจึงจะได้แสดงไปโดยลำดับทีละข้อก่อนคือชั้นที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งภิกษุหรือผู้ปฏิบัติทำอานาปานสติสมาธิเมื่อได้ปฏิบัติตามที่สัตว์แนะนำไว้ ในเบื้องต้นนั้นแล้วคือเข้าไปสู่ป่าสู่คนไม้เรือนว่างซึ่งคำว่าเรือนว่างนี้ก็คือว่าสถานที่ที่แม้จะเป็นบ้านเรือนแต่ก็เป็นที่สงบจากเสียงทั้งหลายเป็นต้นเช่จนจากเสียงคนที่พูดจากันเอะอ แม้ว่าการมานั่งปฏิบัติอยู่ในที่นี้ซึ่งอยู่ด้วยกันมากแต่จัดไว้สำหรับอบรมฟังกรรมฐานและปฏิบัติกรรมฐานจึงสงเคราะห์เข้าในเรือนว่างได้แม้ว่าจะมากคนด้วยกัน แต่ก็สงบจากเสียงพูดจากันเป็นต้นเพราะต่างก็มีความสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นสนีทำสมาธิในการฟังเพื่อในปัญญาในธรรมอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพราะฉะนั้น แม้การเข้ามาสู่สถานที่นี้ก็คือว่าเป็นสถานที่อนสมควรและก็นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือว่านั่งพระเพียบตามสะดวกตั้งกายตรงคือไม่พิงและไม่คล้อมกาย ร่างกายให้ตรงตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบหรือรอบหน้าคือให้มีสติสมบูรณ์นั่นเองในการที่จะฟังและในการที่จะปฏิบัติและให้ประกอบด้วยคุณธรรม อันเป็นอุปการะทั้งสี่ประการดังที่กล่าวมาข้างตน้นคือมีความเพียเพรเผากิเลธมีสัมพนะัญญะความรู้ตัวหรือความรู้พร้อมมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเจาะจงเข้ามาก็คือในกายในเวทนาในจิตในธรรม ที่ปฏิบัตินี้เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้พร้อมที่จะทำอนาปานสติสมาธิภาวนาจึงเริ่มเป็นภูมิสติคือความลึกรูก้ดังกล่าวรอบคอบให้ใจเข้าให้ใจออกจึงเข้าขั้นที่หนึ่ง ที่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวในตอนนี้ควรทาความเข้าใจประกอบในการปฏิบัติว่าอันลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนั้นทุกคนต้องให้ใจกันอยู่ตลอดเวลาดุดไม่ได้แต่ปกตินั้นไม่ได้ตั้งสติกำนดรู้จึงไม่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกหากได้ตั้งสติกำนด เข้ามาดูเข้ามารู้ก็จะรู้สึกในลมไมยใจของตนได้อย่างถนัดชัดเจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าดึงนกยกรวเป็นกรรมฐานเราเป็นกรรมฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อเป็นดังนี้จึงสมควรที่จะ ได้ปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้ในการเริ่มหัดปฏิบัติแต่ว่าลมให้ใจนั่นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเป็นลมแต่ว่าอาจจะรู้ได้โดยสัมผัสคือในการหายใจนั่นลมให้ใจก็จมากระทบเป็นสัมผัสที่ ริมพิบเบื้องบนหรือปลายหรือปลายกระพุ้งจมูกทุกคนสังเกต ร, รู้สึกได้ให้ใจเข้าลมไม่ใจก็จะเข้าไปผ่านริมพิบัตเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปตามหลักสรีรวิทยา ก็แสดงว่าเข้าไปถูกสู่ปอดแต่ตามหลักปฏิบัติทางสมาธินี้ในเบื้องตน้นทั้งแสดงไว้กลางกลางว่าให้รู้เบื้องตน้นทำกลางและที่สุดพระอาจารย์จึง มาจับอธิบายสำหรับกำหนดว่าในการหายใจเข้านั้นรายกระพุ้งจมูกหรือราคสีมิปากเบื้องบนเป็นเบื้องตนอุระคือสวงอกเป็นท่ากลางและนาพีที่พองขึ้น เมื่อหายใจเข้าเป็นที่สุดส่วนในขณะหายใจออกนั้นนาพีที่ยุบลงเป็นจุดที่หนึ่งหรือเป็นเบื้องตน้นอุระคือทรงอกเป็นจุดที่สองไรกระมุงกระพุ้งจมูก ริมพิบากเบื้องบนเป็นจุดที่สามพระอาจา ร, รย์ท่านสอนดังนี้เพื่อสะดวกในการกำหนดจิตเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าจุดเบื้องต้นจุดทรามกลางจุดที่สุดและ กำหนดลงไม่ใจออกจุดจุดเบื้องตน้นจุดท่ากลางจุดที่สุดให้รู้ทั่วถึงทั้งเข้าและออกและเมื่อได้กำหนดรู้ดังนี้ทั่วถึงแล้วเมื่อจิตรวมเข้ามาจะไม่ทรงจิต ทรงสติเข้าออกตามลมนั่งกล่าวก็ได้โดยให้ตั้งสติกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวในจุดที่ตนจะกำหนดสัมผัสของลมหายใจเข้าออกเลยชัดเช่นกกำหนด ที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมผิวปากเบื้องบนตั้งสติกำหนดอยู่ตรงจุดนี้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หรือบางคนชอบกำหนดหรือถนัดที่จะกำหนดตรงอุระคือสวงอกกำหนดอยู่แค่จุดเดียวก็ได้ หรือบางคนสะดวกที่จะกำหนดที่นาพีที่พองหรือยุคก็กำหนดอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวก็ได้แต่เมื่อมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ก็ยอมจะรู้ทั้งสามจุดท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างแม่ลูกอ่อนนั่งบนชิงชา และมีคนแขว่งจริงชาคนแขวงจริงชานั้นก็กำหนดอยู่ที่จริงชาซึ่งแขว่งไปแขว่งมาในที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวเช่นกำหนดอยู่ที่โคนจิงชาหรือกำหนดอยู่ที่กลางจริงชาแม้เช่นนี้ก็ย่อมรู้ทั้งหมด หรือเปรียบเหมือนอย่างคนเลื่อยไม้คนเลื่อยไม้เมืม่อเลื่อยไม้ก็กำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นกำหนดอยู่ที่ตรงเลื่อยมาสัมผัสกับไม้แต่ไม่ได้กำหนดที่ต้นเลื่อย หรือที่ไเรื่อยแม่ดังนี้ก็เลยไม้ได้และก็ยมรู้ทั้งหมดข้อสำคัญนั่นให้คอยตั้งสติกำหนดไม่ให้สติตกไปเมื่อสติตกไปเราต้องนำสติกลับมาตั้งไว้ใหม่ดังนี้และ เรียกว่ายาวนั้นก็คือหมายความถึงการเวลาที่หายใจกับสถานที่ที่หายใจอันจะเรียกว่าเกี่ยวกับการละการเวลาเกี่ยวกับเทศุสหที่ที่หายใจหน่งนี้ก็ได้ที่นับว่า เป็นระยะยาวหากพิจนารณาดูแล้วทุกๆคนนั้นผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติทาอาณาปานสติสมาธิภาวนาตกกล่าวเรกว่าการหายใจของตนยาวโดยปกติดังจะเรียกว่าหายใจทั่วท้องคือหายใจเข้าไปถึงท้อง ทีพองขึ้นออกก็จากท้องที่ยุบลงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ายาวโดยปกติเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้กำหนดเบื้องต้นทากลางที่สุดดังกล่าวมาข้างตน้นจึงจะชื่อว่ามีสติรู้ทูดถึงและแม้จะทิ้งแต่สองจุด ตั้งสติกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวดังกล่าวเมื่อสติไม่ไปไหนและเป็นสติที่มีหน้ารอบหรือมีหน้าโดยรอบก็ยมรู้ได้ทั้งหมดทุกจุดเมื่อได้ขัดปฏิบัติอยู่ดังนี้นานเข้าบ่อยเข้าชันทะคือความพอใจยมเกิด และเมื่อชันทะคือความพอใจเกิดให้ใจเข้า ใ, ใจออกก็สุขขุมคือละเอียดยิ่งขึ้นจึงให้ใจเข้า ใ, ใจออกสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นโดยอำนาจของชันทะและเมื่อได้ปฏิบัติ ด, ดังนี้มากขึ้นบ่อยเข้าประโมท คือความบันเทิงใจก็ย่อมเกิดเมื่อประโมทคือความบันเทิงใจเกิดหายใจเขา้าาใจออกก็ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าที่ละเอียดโดยอํานาจของชันทะเป็นไปเองและเมื่อหายใจเขา้าไว้ใจออกละเอียดโดยอํานาจของ ความประโมทมากยิ่งขึ้นจิตก็จะกลับจากลมอัดสาสะปัดสาสะคือจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอเุเบคาคือความเข้าไปเพ่งเพ่งเฉยอยู่ก็จะตั้งขึ้นมาพระอาจารย์ชั้นเดิม ดังจะเรียกว่าทุติยาจารย์อาจารย์ชั้นที่สองจากพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ดังนี้ต่อไปนี้ข อ, ขอให้ตั้งใจฟังสวดมีสวดเนี่ยตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป